ได้ตัดสรุนะแล้วก็สอนธรรมให้ผู้คนได้เห็นแจ้งในสัจธรรมเริ่มจากกลุ่มพระปัญจวัคคีย์แล้วเนี่ยก่อนที่ข้อพรรษาที่สองนี้พระองค์ก็เสด็จกลับไปยังกรุงก บ, บิลพัทนะอย่างที่เราทราบกันดีแล้วก็มีพระญาติหลายท่านได้ตัดสินใจบวชกับพ ร, พระพุทธองค์นะ พระญาติเหล่านี้เนี่ยก็มีหลายท่านนะที่ภายหลังได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ที่น่าสนใจเนี่ยมีหลายท่านนะแต่ว่าวันนี้ก็จะพูดถึงสามท่านนะก็คือพระกิมพิละพระพัทิยาแล้วก็พระอนุรุทธะนะสามท่านนี่ตอนที่เป็นโยมเป็นเด็กนี่มีชีวิตที่สุขสบายมาก สบายอย่างที่เราอาจจะนึกไม่ถึงเลยตอนเด็กๆเนี่ยสามคนเนียเคยคุยกันนะว่า อ, อาหารที่เรากินนี่มันมาจากไหนนะข้าวที่เรากินนี่มาจากไหนเจ้าชายกินพิรักก็บอกมันมาจากช้างนะช้างข้าวนะข้าวนี่มาจากช้างนะคนที่สองอเจ้าชายพระทียรก็บอกข้าวเนี่ ย, ยมาจากครัวนะคนที่สามอนุรุเจ้าชายอนุรุท่านนี่บอก ข้าวนี่มันมาจากในจานคือทั้งสามคนเนี่ยไม่เคยเห็นนาเลยนะเคยคล้ายกับเด็กสมัยนี้นะ อ, อ่น้ำมาจากไหนน้ำมาจากก๊อกนะาลาเปามาจากไหนสาลเปามาจากเซเว่นนะข้าวมาจากร้านเซเว่นนะอันนี้ก็น่าเห็นใจเด็กสมัยนี้นะแต่มันไม่ได้เป็นเฉพาะสมัยนี้สมัยก่อนนี่พวก เ, เจ้าชายที่ อยู่ในวังก็ถูกเลี้ยงดูมาอย่างดีจกนกระทั่งนะไม่เคยรู้เลยว่าข้าวนี่มันมาจากนานะหรือว่าอาหารนี่มาจากไรก็เห็นแค่ว่ายุ่งฉางโรงครัวแล้วก็จานข้าวนะยิ่งเจ้าชายนรุธทธานีนะมีความสมบูรณ์พูนสุขทุกอย่างไม่เคยขาดแคลนคราวหนึ่งนะเล่นสกานะสกา ก, ก็เหมือนกับหมากลุกหรือมั้ง เล่นแล้วแพ้ก็มีการาพ น, นันกันว่าใครแพ้ก็ต้องหาอาหารมาให้กับผู้ชนะเล่นกี่ครั้งกี่ครั้งนะเจ้าชายนรุษทะก็แพ้ก็ต้องเอาอาหารนะที่มีอยู่ในครัวในครั้งเนี่ยมาให้ผู้ชนะให้จนหมดเลยนะไม่เหลือแล้วนะแม่ก็เลยบอกคนใช้ว่าไอ้ขนมเนี่ยมันไม่มีแล้วคนใช้ก็มาบอก เจ้าชายนรุธะว่าไม่มีเจ้าชายนรุธะก็เลยบอกว่าเอาแนละ้วแหละขนมไม่มีนะเอามาขนมไม่มีนะเอามาเลยแม่ก็เลยส่งาจานหรือถาดเปล่าไปให้มีฝาครอบด้วยให้รู้ว่าเนี่ยขนมไม่มีเคเร่ น, นี้แหละแต่ว่าเนื่องจากเป็นคนที่มีบุญที่ทําไว้มากนะเทวดาก็เนรมิตอาหารหรือขนมให้มันปรากฏขึ้นมาในในจานนั้นพอเปิดฝาขึ้นมาอา้าวมันมีขนมนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าชายนรุธาเลยไม่รู้จักคาว่าไม่มนะีคำว่าขาดแคลนไม่เคยรู้จักนะเช่นเดียวกับที่ไม่เคยรั่ข้าวนี่นะมันมาจากไรนาข้าวนี่มันมาจากจานชามนะอันนี้คนที่เลี้ยงดูมาดีอย่างนี้เนี่ยนะทำไมถึงออกบวชนะที่จริงก็ไม่ได้ออกบวชในศรัทธานะเจ้าชายนรุธาเนี่ยเดิมทีพี่ชายเนี่ยเจ้าชายมาหานามะนะจะบวช และที่บวชนี่ก็ไม่ใช่อะไรหรอกนะคือเมื่อพระเจ้าเสด็จมาเนี่ยกลับมากรุงกบิลพัทนะก็มีการพูดกันว่าแต่ละบ้านนะของสกุลศักยะน่าจะส่งตัวแทนไปบวชนะก็มาถึงบ้านแล้วก็มาถึงวงของฝ่ายเจ้าชายมหานัมมะท่านก็เลยว่าจะบวชนะบวชเพื่อรักษาชื่อเสียงวงตระกูลว่าอ่าวงนั้นเขาก็ส่งคนมาบวชนะส่วนของเราก็ต้องมีบ้าง ก็ น, นี้เจ้าชายมานามะเนี่ยนะจะบวชแล้วก็จะฝากกิจการงานให้เจ้าชายนุรุทธะทีหลัเจ้าชายนุรุทธะเนี่ยนะมีคนมาขอให้บวชนะท่านก็บอกว่าบวชนี่เป็นยังไงพอรู้ว่าต้องอยู่ป่านะต้องกินข้าวมื้อเดียวนะต้องอมีแค่จีวรสามผืนก็เลยไม่บวชนะยกตำแหน่งนี้โอกาสนี้ให้พี่ชายคือมานามะ ค้านมานามาก็บอกว่าจะบวชแล้วก็จะมอบหน้าที่การงานให้กับน้องชายก็คือเจ้าชายนรุทธะพอเจ้าชานุรุทธะรู้ว่างานมันเยอะงานมันมากแต่ก่อนไม่รู้จักคำว่างานนะต้องให้พี่ชายสาธยายว่างานเนี่ยคืออะไรพอท่านสาธยายโอ้โหงานเยอะอยากกันนั้นเลยไปบวช ด, ดีกว่า <c oughs> คือบวชเพื่อนหนีงานนะไม่ได้บวชเพราะศรัทธาหรอกเรียกว่าเป็นคนที่รักสบายมากนะพอเจองานนี่หนี พอรู้ว่าบวชแล้วไม่ต้องทํางานไปทั้งๆ ท, ที่รู้ว่าอาจจะต้องกินข้าวมื้อเดียวนะหรือว่านอนในใต้ต้นไม้นะเจ้าชายพทัทยก็เหมือนกันนะที่บวชนะก็เพราะว่ามีเพื่อนบวชน ะ, ะบวชเพราะมีเงื่อนไขว่าคนอื่นบวชตัวเองจะบวชตามนะไม่ได้ศรัทธาเลยเลยนะแต่พอบวชไปแล้วนี่นะก็ค่อยๆได้รับการกล่อมเก้านะจากพระพุทธเจ้าแล้วก็พระอรหรันต์ ที่เป็นพันเตนทั้งหลายเช่นพระไซรุบดพระโมคคลานะเนี่ยก็จิตใจค่อยน้อมนะไปสู่การปฏิบัตินะถึงแม้ไม่เคยเจอความยากลำบากนะแต่ก็ปรับตัวปรับใจได้นะอาจจะเป็นพร่ะมีคติยะ ม, มานะว่าคนอื่นทำได้นะเราก็ต้องทำได้เสียนะคนนั้นเขาก็ทำได้เขาฉันมือเดียวออกปินธบาตไปไกลๆนะอยู่ด้วยผ้าบางสกุลเขาทาได้ฉันก็ต้องทาได้เสียอันนี้เรียกว่ามานะนะมานะนี่มัน มันเป็นกิเลสชนิดหนึ่งนะแต่ว่าถ้าเอามาใช้ให้ดีมันก็ทําให้คนทําความเพียรได้เพราะว่ากลัวว่าจะน้อยหน้าคนอื่นผู้น่าคือทำเพราะเสียกลัวเสียหน้าอันนี้ก็เป็นเรื่องมารนะและวยิ่งกษัตริย์เนี่ยเขาจะมีขัตติยะมานะขัตติยะก็เป็นก็คือกษัตริย์นั่นแหละเราเป็นลูกกษัตริย์เราต้องทําได้สินะคนหนึ่งเขาก็ทําได้เหมือนกันแล้วได้ก็ทําความเพียรไปจนท่านในสุดก็บรรลุธรรมวันหนึ่งพระปฏิยะท่านก็ นั่งอยู่คนเดียวในป่าท่านก็คล้ายๆว่าปลารบนะหรือว่าเปลยขึ้นมาว่าสุกนอสุกนอ้อนะคนที่เดินผ่านไปผ่านมาไปได้ยินก็คิดว่าท่านกําลังหวนคิดถึงความสุขในสมัยอยู่ในวังคงจะคิดอยากจะสึกแล้วมัง้งนะก็เลยไปทูลพระพุทธเจ้าพุทเจ้าก็เลยเรียกพระพัทถยมาถามพระพัทถยาก็เลยตอบว่าที่สุกเนี่ยคือสุกที่ได้มาคลองเพศบรรปชิตนะ สมัยที่ยังอยู่ในวังแม้จะสุขสบายนะมีสิ่งปลนเปลนะมากมายมีดนตรีขับก่อนแต่ว่าไปไหนก็ต้องมีองครักษคอยคุ้มกันนะชีวิตมันก็มีความกลัวมีความมีความทุกข์อยากได้แต่ไม่ได้อย่างที่อยากนะบางทีก็กลัวภัยอันตรายกลัวคนมาปองร้ายต้องมีคนมาคุ้มกันเป็นองครักษนะ แต่นี่พอมาบวชแล้วสบายนะอยู่วิเวกนะแม้ไม่มีใครมาปกป้องคุ้มกันก็มีความสุขนะจริงเขาสุขเพราะว่าใจท่านเนี่ยหมดกิเลสแล้วนะไม่มีสิ่งแผดเผาบีบคั้นอ่ทิ่มแทงจิตใจนะด้วยหนาาของโลภะโทสะโมห oh ะก็เลยมีความสุขก็กลายเป็นว่าท่านั่งที่ความเป็นอยู่ไม่สะดวกสบายเท่ากับตอนอยู่ในวังนะแต่ว่ากลับมีความสุขกว่า พระ อ, อนุรุทธะก็เหมือนกันนะคนที่สบายมากไม่รู้จักคำว่าไม่มีพอมาบวชแล้วเนี่ยก็ต้องเจอคำว่าไม่มีบ้างแหละเจอความอัตคัดขาดแคลนนะแต่ว่าท่านก็สามารถปรับตัวได้แล้วต่อหลังก็สามารถจะเข้าถึงความสุขอันประณีตนะตเป็นสุขที่เหนือสูดก็คือ น, นิพพานนะก็กลายเป็นแบบอย่างของอพระทั้งหลายนะอันนี้ก็แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงนะจากคนที่เรียกว่าเป็นคุณหนูเป็นสุกุมาลชาตินะ สะดวกสบายทุกอย่างนะไม่เจอพบไม่เคยรู้จักกับความยากลําบากไม่เจอไม่เคยรู้จักคําว่าไม่มีนะแต่สุดท้ายก็รู้ว่าทุกอย่างนั้นเนี่ยมรณะ แ, แต่เป็นทุกข์ทั้งนั้นนะไอ้ความทุกข์เนี่ยนะมันมีกับทุกสิ่งนะไม่ใช่คนอย่างเดียวหรือสิ่งมีชีวิตเท่านั้นที่ทุกข์นะไอ้สิ่งไม่มีชีวิตก้อนหินนะเสาหลังคานะพื้นดินต้นไม้ไอ้พวกนี้มันก็เป็นทุกข์ทั้งนั้น ไม่ใช่เพราะมันมีทุกขเวทนาหรือความรู้สึกทุกนะแต่ว่าเขาเรียกควาเป็นตัวทุกนะก็คือมันมีความพร่องความไม่สมบูรณ์นะมันไม่มีมันไม่มีความเรียกว่าพอดีเลยนะเพราะว่ามันเต็มไปด้วยความบีบคั้นความตึงเครียดขัดแย้งข้างในไอ้สาวที่เราเห็นแข็งแรงแข็งแรงนี่นะข้างในเนี่ยมันมันก็เริ่มนะเริ่มเสื่อมเริ่มกัดกร่อนนะเพราะมันมีความขัดแย้งบีบคั้นตึงเครียดอยู่ภายใน ไอ้ที่มันรับหลังคานี่มันก็มีความตึงเครียดนะโป ร, รีเรียนวิยาศาสมาจะรุ้เลยว่าเสาเนี่ยแต่ละต้น <commencer> แต่ละต้นเนี่ยมันมีความตึงเครียดแต่ถึงแม้มันไม่รับหลังคาเลยนะมันไม่แบกรับหลังคามันก็ยังมีความตึงเครียดของมันเพราะว่าทิ้งไว้นานๆเ น, น, น, นี่ยยิ่งไปทิ้งกลางแดดนี่นะทิ้งไปสักปี2ปีเนี่ยก็จะผุพังน네ะเหล็กเนี่ยแ ก, แก่งแก่งแค่ไหนเนี่ยทิ้งไว้นะปี2ปีก็เริ่มมีสนิมจับนะแล้วก็ค่อยๆกัดกร่อนไปนี่เรียกว่ามันเป็นตัวทุกข์นะ เพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องเสื่อมและต้องสลายไปอันนี้ก็เรียกว่าเป็นความเป็นความพร่องนะเป็นความไม่สมบูรณ์ซึ่งมีกับทุกคนชีวิตก็เหมือนกันไม่มีใครที่รู้สึกสมชีวิตมันสมบูรณ์หมดนะแต่ว่าแม้มันจะมีความพร่องอย่างใดอย่างหนึ่งนะแต่ว่าถ้าเราเข้าใจมันนะมันก็ไม่ทุกอย่างพระนุลุทธาในสุขก็เข้าใจนะเข้าใจในเรื่องของความจริงของชีวิตนะสรรพสิส่งเนี่ยมันเป็นทุกข์ทั้งนั้น ไอคนที่คิดว่าชาตินี้จะไม่รู้จักคําว่าไม่มีไม่มีเนี่ยอันนี้เป็นความฝันนะแต่ก็มีบางคนนะเวลาทําบุญแล้วก็อธิษฐานนะเคยได้ยินหลายคนอธิษฐานขอให้ไม่รู้จักคําว่าไม่มีไม่มีนะหรือขอให้ไม่เจ็บไม่ป่วยเนี่ยอันนี้มันยากนะหรือเป็นไปไม่ได้เลยเพราะพุทธเจ้าก็ยังเจ็บต้องป่วยอันคำว่าไม่มีไม่มีเนี่ยอันนี้ก็อย่าไปคิดว่าจะเป็นไปได้นะพระพุทธเจ้านี่บางพรรษานี่ไม่มีเลยนะไม่มีฉันเลยนะ ไม่มีฉันเลยเพราะว่าไอคนนิมนต์นี่เขาลืมนะลืมดูแลใจใสนะ่ก็เรียกว่าอดอยากปากแห้งไปตลอดพรรษาอันนี้ก็เป็นธรรมดาของมนุษย์เราอ่าเราก็เตรียมรับพร